ข้าบทวิพังหกร้อยสิาว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุมีอธิบายว่าเชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้บาทที่ชื่อว่ามีรอยซ่อมยนกว่าหแห่งคือบาทไม่มีรอยซ่อมหรือมีรอยซ่อมเพียงหนึ่งแห่ง มีรอยซ่อมเพียงสองแห่งมีรอยซ่อมเพียงสามแห่งมีรอยซ่อมเพียงสี่แห่งบาทที่ชื่อว่าไม่มีรอยซ่อมได้แก่บาทไม่มีรอยร้าวถึงสองนิ้วบาทที่ชื่อว่ามีรอยซ่อมได้แก่บาทมีรอยร้าวยาวสองนิ้วบาทที่ชื่อว่าใหม่พระผู้มีพระภาคตรัสมุ่งเอาอาการออกปากขอมาคาว่าขอคือออกปากขอต้องอวดทุกกฎเพราะพยายาม บาทเป็นนิสกีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละในถ้ำกลางสงฆ์ภิกษุทุกรูปพึงถือบาทที่อธิฐานไปประชุมไม่ควรอธิฐานบาทคุณภาพไม่ดีด้ยคิดว่าเราจะเอาบาทมีค่ามากถ้าที่ฐานบาทคุณภาพไม่ดีด้วยคิดว่าเราจะเอาบาทมีค่ามากต้องอาบัททุกกฎภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละบาทที่เป็นนิสกีอย่างนี้